วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นวันหยุดทำงานสำหรับผู้ใช้แรงงานเพราะเป็นวันหยุด ว, วันแรงงานแห่งชาติผู้ที่ ใช้แรงงานก็เลยไม่ต้องไปทำงาน1งวันทางธรรมเราเรียกว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะว่าทำให้มีเวลาที่จะได้ทำบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันถ้าเป็นวันปกติเป็นวันทำงานก็จะต้องไปทำงานทำการกัน ก็จะไม่มีเวลาที่จะได้มาทำบุญวันนี้เลยถือว่าเป็นวันกำไรบุญสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าของบุญเห็นความสำคัญของบุญ<ม>เพราะบุญนี้เปียบเป็นเหมือนน้ำมันที่เราใช้เติมในรถยนต์<ม>ถ้าเราขับรถยนต์นี้เราจะรู้คุณค่า ของน้ามันรถยนต์ว่ามีคุณค่ายอย่างไรเพราะถ้าเราไม่มีน้ํามันในรถยนต์แล้วรถยนต์ก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปไหนมาไหนได้ฉันใดจิตใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จำเป็นที่จะต้องมีน้ํามันว้ยขับเคลื่อน เราจึงคอยเติมน้ำมันให้กันอยู่เรื่อยๆถ้าเราขับรถยนต์เราก็จะคอยสังเกตดูมาตรวัดน้ำมันในรถว่าอันนี้น้ำมันเหลือมากน้อยเพียงไรพอ ร, รู้ว่ามันใกล้จะหมดพอเราผ่านสถานีบริการเราก็จะต้องเข้าแวะเข้าไปเติมน้ำมันกันทันที เพราะถ้าเราไม่เติมเราก็อาจจะวิ่งไปไม่ได้ไกลเพราะน้ามันก็อาจจะหมดกลางทางได้<ม>ฉันใดชีวิตจิตใ จ, จของพวกเรานี้<ม>ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาพวกเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระ อาหาันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันก็คือไปถึงพระนิพพานโดยผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆไปตามลาดับจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือสวรรค์ชั้นนิพพานที่เป็นบ้านที่เราจะได้อยู่อาศัยไร่อย่างปลอดภยัยไม่ต้องไ ป, ปเผชิญภยัย กับความทุกข์ต่างๆที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปจอดแวะตามสถานีบริการเวลาเราจอดแวะตามสถานีบริการสิ่งที่เราต้องทําสิ่งแรกก็คือ ต้องเติมน้ำมันเพราะเรารู้ว่าถ้าขาดน้ำมันแล้วรถเราจะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ถึงแม้ว่าสถานีบริการอาจจะมีบริการอย่างอื่นเช่นมีร้านอาหารมีที่จําหน่ายเครื่องดืม่มมีร้านขายของอะไรต่างๆแต่ เรารู้ว่าสิ่งแรกที่เราจาเป็นที่จะต้องทำก็คือเราต้องเติ ม, ตมน้ำมันรถยนต์ก่อนส่วนเรื่องอื่นถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้บริการเช่นเข้าห้องน้ำหรือซื้อเครื่องดื่มมาดื่มซื้อของรับประทานมารับประทานหรือถ้ามีอะไรอย่างอื่นให้เราได้ดูได้ฟังได้ทำเราก็อาจจะทำไปกัน แต่เป้าหมายหลักของการที่เราไปแวเจอดที่สถานีบริการก็มีเพื่อที่เราจะได้เติมน้ามันกันฉันใดเวลาที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็เหมือนกับเวลาที่เราเอาจิตใจของเราไปที่สถานีบริการสิ่งที่จิตใจของพวกเราต้องการก็คือน้ำมันของจิตใจ คือบุญต่างๆนี่ส่วนอย่างอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นความสุขจากลาบยศสนเส ร, ริญความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆถือว่าเป็นของแถมไม่ได้เป็นของที่จำเป็นจะต้องมีเพราะเราขาดสิ่งเหล่านี้เราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีบุญ แต่ถ้าเราไม่มีบุญเรามีแต่สิ่งเหล่านี้เราจะเดือดร้อนอเหมือนกับเวลาที่เราแวะจอดเติมน้ำมันถ้าเราไม่เติมน้ำมันเราไปใช้บริการอย่างอื่นของสถานมีบริการไปเข้าห้องน้ำไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังหรือไปทำอะไรที่เขามีให้ดูให้ฟังให้ทำ แต่เราไม่ได้ไปเติมน้ำมันอย่างนี้เราจะเดือดร้อนเวลาที่เราออกจากสถานีบริการไปเพราะว่าเมื่อเราไม่ได้เติมน้ำมันน้ำมันในรถที่มีอยู่ไม่มากแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดลงพอหมดลงเราก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันได้ ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าหน้าที่หลักสิ่งแรกที่เราต้องการสิ่งสาคัญที่เราต้องการเวลาเราแวะจอดตามสถานีบริการต่างๆก็เพื่อเติมน้ามันรถยนต์นั่นเอง mm hmm. ส่วนเรื่องอย่างอื่นนั้นเราก็ถ้ามี mm hmm. เวลาเราจะทำมันก็ทำได้ mm hmm. แต่จะไม่ทำก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไร เช่นเดียวกับเวลาที่เรามาเกิดในโลกของมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปจอดไว้ตามสถานีบริการใจของเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะต้องเติมน้ํามันน้ํามันของใจที่จะพาให้ใจนี้ไปสู่สุขติไปสู่ที่ชอบไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่นิพานนี้ จำเป็นจะต้องมีน้ำมันของใจถ้าใจขาดน้ำมันคือขาดบุญชนิดต่างๆแล้วใจก็จะไม่สามารถไปสู่สุคติไปสู่พระนิพพานได้ถ้าเรามาเกิดในโลกนี้แล้วแทนที่เราจะมาคอยเติมบุญกันเติมน้ำมันให้กับใจเรากลับไปเพลิดเพลิน ก, กับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆเช่นไปเพื่อเพลินกับการหาเงินหาทองหากยธาตำแหน่งหารางวัลต่างๆมีการประกวดนางงามเอยประกวดอะไรต่างๆเพื่อได้ชิงมงกุฎกันชิงเหรียญทองกันแข่งแข่งกีฬาเพื่อให้ได้เหรียญทองประกวดเพื่อให้ได้มงกุฎ หรือแข่งขันอะไรกันก็ตามเพื่อให้ได้รางวัลกันแล้วก็ไปหาซื้อของต่างๆมามาใช้กันของฟุ่มเฟือยของหรูหราของแบรนด์เนมไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขึ้นเครื่องบินนั่งเครื่องบินชั้นที่หนึ่งชั้น VIP ใช้เงินใช้ทองกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินโดยที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องของการทําบุญเลยตรงนี้ก็เหมือนกับพวกที่ไปแวะจอดที่สถานีบริการแล้วก็ไปใช้สถานที่บริการต่างๆใช้ห้องน้ําใช้ร้านอาหารใช้อะไรต่างๆที่เขามีไว้บริการ แต่ไม่เคยคิดไปเติมน้ำมันรถยนต์ของตนเลยพอขับรถออกจากสถานีบริการไปไปได้ไม่นานเดี๋ยวน้ำมันก็หมดหมดทีนี้ก็ต้องลำบากต้องเดินไปแทนอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการที่เราได้มาแวะจอดสถานีบริการเพราะพบของมนุษย์นี้เป็นพบเดียวที่ เราจะสามารถมาเติมน้ามันของใจได้คือมาเติมบุญชนิดต่างๆให้กับใจได้เพราะบอื่นนี้เป็นที่ไปรับผลบุญหรือผลบาปที่เราอาจจะทำกันเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันมีพพของมนุษย์นี้เท่านั้นที่เราจะสามารถมาเติมน้ามันเติมบุญเพื่อที่จะได้พา ใจิตใจของพวกเรานี้ให้ไปสู่สุขคติให้ไปสู่ที่ชอบให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานนี่นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจให้เข้าใจว่าชีวิตของเรานี้เกิดมาเพื่อทำอะไรกัน ถ้าเราไม่มีธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหลงกันเราจะหลงคิดว่าเรามาก่อนในโลกนี้เพื่อมาหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาละหารังวีรังวัลอะไรต่างๆแล้วก็หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกนิ้นกายของเรา เช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ <c oughs> ไปดูมหรัรรยบันเทิง <c oughs> ไปซื้อของหรูหราของแพงๆมาใช้กันอันนี้ <c oughs> เป็นความความเข้าใจผิด <c oughs> เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจมันไม่สามารถสนับสนุนหรือส่งจิตใจของเรา ให้ไปสู่สุคติได้ให้ไปสู่ที่ชอบให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้ <c oughs> มีบุญต่างๆที่พู้เจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทากันเท่านั้นที่จะเป็นเหมือนน้ำมันที่จะผลักดันจิตใจของพวกเรานั้นให้ขึ้นสู่ที่สูงขึ้นไปตามลำดับให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ไปจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานให้เราไปถึงจุดที่เราจะได้ไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาคอยเติมบุญเติมอร่อยกันอีกต่อไปถ้าเราถึงพระนิพพานแล้วก็เหมือนเรากลับรถถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปแล้วเมื่อถึงแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนอีกต่อไปเราก็อยู่ที่จุดหมายปลายทางของเรา อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอ น, นี่คือความเข้าใจของชีวิตของเราว่าเราเกิดมาทําไมเราต้องคิดว่าเราเป็นเหมือนรถยนต์จิตใจของเราเป็นเหมือนรถยนต์โลกนี้เป็นเหมือนสถานีบริการที่เราจะเติมน้ามันชนิดต่างๆคือเติมบุญชนิดต่างๆให้กับจิตใจเพื่อจะได้ พาจิตใจให้ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางคือบ้านที่แท้จริงของพวกเราก็คือพระนิพพานที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะคอยบำรุงบำเรอความสุขชนิดต่างๆให้กับเราและไม่มีความทุกข์ไม่มีพิษมีภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้าไป สร้างความเสียหายให้กับจิตใจของเราได้เลยอนี่คือเราต้องเข้าใจว่าการมาเกิดของเรานี้เกิดเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างบุญกัใช่ไหมไม่ใช่เกิดมาเพื่อมาหาเงินทองมาหายศมาหาตําแหน่งมาหารางวี่รางวัลมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย แต่มาเพื่อมาเติมน้ำมันของจิตใจก็คือบุญเติมบุญชนิดต่างๆให้พร้อมให้ครบ เ, เพื่อที่จะได้พาจิตใจของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ชอบที่ดีที่ประเสริฐนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจก็ศึกษาไป ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วเราจะได้ข้อสรุปว่าเราเกิดมานี้เพื่อมาสร้างบุญกันบุญที่จะพาให้เราได้ไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่ให้ความสุขให้ความปลอดภัยกับเราขณะนี้เรายังกำลังเดินทางกันอยู่และเรามักงจะเดินทางด้วยความหลงกันเพราะทุกครั้งเวลาที่เรา มาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์แทนที่เราจะรีบเติมน้ำมันกันเราลับมัวไปหาความสุขจากทรัพสมบัติเท่าของเงินทองหาความสุขจากยศจากตาแหน่งหาความสุขจากรางวีรางวันต่างๆหาความสุขจากการได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสพุทธพชนิดต่างๆพอเราตายไปก็เหมือนกับ ขับรถออกจากสถานีบริการไปโดยที่ไม่ได้เติมน้ํามันเลยพอไม่มีน้ํามันไปแทนที่จะขับรถไปได้อย่างสุขสบายก็ต้องเดินไปเดินไปแวนแบบขอทานข้างถนนต้องไปขอบุญจากผู้ทําไมเราจึงมีธรำเนียมทําบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็เพราะว่าเรายัง เป็นห่วงเป็นใยคนที่เรารักคนที่เราเคารพที่จากเราไปว่าเขามีบุญติดตัวไปหรือไม่มเราพนห่วงเขาเราก็เลยทำบุญให้กับเขาพอเขาตายปั๊บนี่เรารีบทำบุญให้กับเขาเลยจัดงานศพให้กับเขานิมนพระมาสวดทำบุญใส่บาตรทำบุญชนิดต่างๆให้กับเขา เพราะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ทำบุญมากน้อยเพียงไรเขาอาจจะมัวมาหาลาบยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. จนไม่ได้มี <c oughs> <c oughs> เวลาไปทำบุญก็ได้ mm hmm. เราจึงมีธรรมเนียม mm hmm. ทำบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว เผื่อถ้าเขาไม่มีบุญเผื่อน้ามันเขาหมดกลางทางบุญที่เราส่งไปก็เป็นเหมือนน้ามันที่เขาจะได้เติมใส่ใส่ใจของเขาแล้วจะได้เขาก็จะได้ขับใจของเขาให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้ต่อไป mm hmm. น, นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องรู้รือเข้าใจว่าการมาเกิดของเรานี้ เป้าหมายหลักของการมาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อมาเติมน้ำมันให้กับใจน้ำมันของใจเราเรียกว่าบุญบารมีสร้างบุญบารมีชนิดต่างๆเพราะบุญบารมีนี้จะพาใจให้ไปสู่สุกติไปสู่ที่ชอบไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆอย่างอื่นไม่สามารถพาใจของเราไปสู่ที่สุกติได้ ต่อให้มีเงินแสนล้านก็ไม่สามารถใช้เงินนี้ไปพาไปสุคติได้ต่อให้มียศยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตา ม, มเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรี<ม>ก็ไม่สามารถใช้ยศตำแหน่งเหล่านี้พาไปสู่สุคติได้<ม>ต่อให้ได้รับรางวัลต่างๆได้ได้มงกุฎ นางงามจั ก, กรวาลได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือได้รางวัลอะไรต่างๆรางวัลเหล่านี้ไม่สามารถพาให้เราไปสู่สุขคติได้ความสุขที่เราหาจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆก็เช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะพาใจของเราให้ไปสู่ๆๆสุขคติได้ สิ่งนี่จะพาใจของเราไปสู่สุขติได้ก็คือน้ามันของใจก็คือบุญบรารมีชนิดต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาเติมกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นเราต้องไม่ลืมเป้าหมายของการมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าเรามีหน้าที่หรือมีเป้าหมายที่จะต้องทำอะไรเหมืองกับเวลาที่เราไปทำงานในบริษัทเนี่ย บริษัทเก็จะมอบหน้าที่ให้เราทําเช่นเราไปทํางานที่ธนาคารเขาก็จะมอบหน้าที่ให้เราเป็นพนักงานคอยต้อนรับลูกค้าเวลาลูกค้ามาติดต่อมาถอนเงินมาฝากเงินเราก็ต้องทําหน้าที่ต้อนรับลูกค้าไม่ใช่เราไปนั่งคุยกันไปนั่งดูมือถือไปนั่งกินขนม เวลาลูกค้ามาก็ปล่อยให้ลูกค้ายืนเฉยๆอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่ถ้าเราไม่ได้ทําหน้าที่พอสิ้นเดือนเขาก็จะไม่จ่ายเงินเดือนให้กับเราเขาก็จะไม่เก็บเราไว้ทํางานกับที่ธนาคารเพราะเราไม่ทําหน้าที่ของเราอั่าใดการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันก็มีหน้าที่ที่เราต้องทําทําเพื่อใคร ทำเพื่อตัวเรานี่แหละทำเพื่อใจของพวกเราใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนีย่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนกับตุ๊ ก, กตาที่เราเอามาใช้ทำหน้าที่ต่างๆให้กับเราเท่านั้นเองแต่ผู้ผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือใจนะใจทำหน้าที่เพื่อใจ หน้าที่ของใจก็คือคอยเติมน้ามันคือบุญชนิดต่างๆให้กับใจ<ม>ถ้าทาหน้าที่นี้แล้ว<ม>เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็จะมีน้ำมันพาให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ<ม>ขึ้นอยู่กับว่าเราเติมได้มากได้น้อยเพียงไร<ม>ถ้าเราเติมได้มากได้ครบจำนวนที่ สามารถพาให้เราไปถึงพัฒนิพานได้พอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไปอยู่ที่พัฒนิพานธเลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแวะเติมสถานีบริการอีกต่อไปเพราะว่าเราสามารถใช้บุญที่เราเติมในภพนิชานี้พาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันก็คือไปพัฒนิพานกัน ไปหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันดังนั้นเราต้องรู้จักหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือต้องคอยเติมบุญอยู่เรื่อยๆพร้อมกับทําหน้าที่ดูแลร่างกายที่เป็นเหมือนเป็นลูกน้องเราเราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือที่เราจะมาเติมบุญกันเราก็ต้องดูแลร่างกายไปด้วย เราก็ต้องต้องมีรายได้พอสมควรพอที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของร่างกายได้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เราไม่ควรที่จะหามามากเกินไปอย่าเสียเวลาหมดไปกับการหาเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราแบบเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกาย ให้เลี้ยงดูร่างกายพอให้มันอยู่ได้ก็พอโดยใช้หลักมรกน้อยสันโดษที่พระเจ้าได้ทรงทรงสอนให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายหาปัจจัยสี่ในลักษณะของมรกน้อยสันโดษพออยู่พอกินไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอเพียงกับความต้องการของร่างกายแล้ว เพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้มาเติมน้ํามันให้กับเรามาเติมบุญให้กับเรานี่นี่คือสิ่งที่เรามีหน้าที่สองอย่างหน้าที่แรกก็คือดูแลร่างกายไม่ให้มันตายให้มันอยู่ได้เพราะถ้ามันตายเราก็จะขาดเครื่องมือที่จะมาใช้เติมบุญให้กับเรา เห็นร่างกายก็ต้องก็ต้องไ ด, ได้รับการดูแลแต่อย่าไปเสียเวลาหมดไปกับการดูแลร่างกายจนไม่มีเวลามาดูแลมาเติมบุญควรจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดให้กับการเลี้ยงดูร่างกายวิธีที่จะใช้ให้เวลาน้อยที่สุดก็ใช้เท่าที่จําเป็นหาเท่าที่จําเป็นมาเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราจะได้มีเวลาที่เราจะได้เอามา ใช้ร่างกายมาตทมบุญต่างๆให้กับจิตใจของเรานั่นเองอันี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าบางคนไม่รู้ว่าเกิดมาเกิดมาทําไมกันบางคนก็คิดว่าเกิดมาก็ต้องเกิดมาเพื่อที่จะทําตัวให้ร่ํารวยทําตัวให้เป็นใหญ่เป็นโตทําตัวให้มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลกิตยศชนิดต่างๆบางคนก็คิดว่าเกิดมาเพื่อมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดมาเพื่อไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูไปฟังการละเล่นการบันเทิงอะไรต่างๆแล้วก็ไปหาความสุขจากสินค้าต่างๆสินค้าที่มีราคาแพงๆมีแบรนด์เนมี เวลาได้เสพได้สัมผัสกับสินค้าต่างๆเหล่านี้แล้วจะเกิดความสุขกันแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วที่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่พอตายไปแล้วความสุขเหล่านี้ไม่สามารถพาใจให้ไปสู่สุคติได้ให้ไปสู่ที่ชอบได้ให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้ นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะขวนขวายกันไม่ควรที่จะขวนขวายหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดเพาะให้เรามาขวนขวายหาความสุขจากการเติมบุญกันจากการทำบุญจากการสร้างบุญบารมีต่างๆบุญบารมีนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันเพราะแต่ละชนิดนี้ก็จะทำหน้าที่ได้ในระดับ ของตนจําเป็นที่จะต้องมีมีบุญหลายระดับด้วยกันเพราะว่าสวรรค์ที่เราต้องการจะไปนี้มีหลายชั้นด้วยกันเราก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆไปด้วยบุญระดับต่างๆจนถึงบุญขั้นสูงสุด <Yeah. S 1> บุญขั้งแรกบุญชั้นแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเติมกันมาสร้างกันก็คือ เมตตาบ า, ามีเราต้องสร้างเมตตาบ า, ามีกันเพราะเมตตานี้จะทำให้ใจของเรานี้เป็นใจที่เย็นที่สบายเป็นใจที่จะไปสู่สุคติพร้อมที่จะไปสู่สุคติได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆคนที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตา ถ้าเป็นคนจิตใจที่ร้ายความเมตตาเป็นคนจะโหดร้ายทารุณนี้จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ได้แทนที่จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆกลับจะต้องไปตกไปอบายชั้นต่างๆแทนตกไปอบายสี่ไปไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปตกนรกถ้าไม่มีความเมตตาแล้วใจจะเหี้ยมโหด เราคงได้ยินข่าวคนสมัยนี้ใจโหดเท่มต้องการหาราบยศหาเงินหาทองหาความสุขจากราบยศแล้วก็พอมีช่องทางที่จะหาได้โดยฆ่าผู้อื่นก็ฆ่าอย่างเลือดเย็นไม่เคยรู้สึกสะสกทกสะท้านเลยเพราะนี่เป็นใจที่ขาดความเมตตา ถ้าใจมีความเมตตาแล้วจะไม่กล้าทําบาปจะไม่ชอบทําบาปดั mm hmm. งนั้นสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราสร้างกันขึ้นมาเติมกันขึ้นมาก็คือความเมตตา mm hmm. เมตตาเป็นเครื่องคําจุนโลกโลกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขอย่างสงบสุขได้ก็ต้องมีความเมตตาต่อกัน ถ้าเราปราศจากความเมตตาแล้วที่นั่นก็จะลุกเป็นไฟไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าอยู่ด้วยความไม่มีความเมตตาแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างวุ่นวายอยู่ด้วยกันอย่างเดือดร้อน<ม>อยู่ด้วยความเสียหายเดือดร้อนต่างๆสนะถานที่ที่มีสงครามเนี่ยแสดงว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีความเมตตา มีแต่ความโหดร้ายทารุณสถานที่ไหนที่มีการฆ่าฟันกันสถานที่เหล่านั้นเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ปราศจากความเมตตาสถานที่ที่ไม่มีการฆ่าฟันสถานที่ที่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากภัยต่างๆสถานที่ที่ร่มเย็นเป็นสุขนี้เป็นสถานที่ที่มีความเมตตา เราถึงสิ่งแรกที่เราควรจะทำกันบุญที่เราควรจะทำกันก็คือให้เราสร้างความเมตตากันให้เรามีความเมตตาต่อกันละกันการที่เราจะให้ความเมตตานี้เราต้องให้ด้วยการกระทำไม่ได้ให้ด้วยการสวดบทแผ่เมตตาดังที่ชาวพุทธเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่า พอเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จเราต้องแผ่เมตตาแผ่ด้วยการสวดบทเมตตาสัเพสตาอเวลาหนตุอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาไม่ได้เป็นการให้ความเมตตากับใครเลยเป็นเพียงแต่เป็นการสวดสอนเราหรือเตือนเราให้รู้วิธีให้ความเมตตากับผู้อื่นว่าให้อย่างไร การที่เราจะแผ่เมตตาหรือให้ความเมตตากับผู้อื่นต้องต้องแผ่หรือให้ความเมตา ต, ต, ามมตาด้วยการกระทําเวลาที่เราได้พบปะกันแล้วเกิดมีอะไรที่เราต้องมีความสัมพันธ์กันเราก็ควรแสดงความสัมพันธ์ด้วยความเมตตาต่อกัน เจนเวลาเราพบปะกันเราก็ควรจะให้ความสุขต่อกันวิธีที่ให้ความสุขต่อกันที่ง่ายๆก็คือทักทายกันสวัสดีกันไหว้กันถ้าเราเป็นผู้น้อยเราก็ไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็กล่าวคำพูดที่ดีๆว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีหรืออะไรทำนางนี้โดยยิ้มแย้มให้กันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้ว ไม่ใช่เวลาเจอกันแล้วมีแต่หน้าบึ้งใส่กันแยกเขี่ยวใส่กันอย่างนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเราต้องการให้ทำตัวเราให้คนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเขามักจะมีความสุขเวลาที่เราเราเราเร า, เราแสดงความเป็นมิตรกับเขาเช่นเรายิ้มให้กับเขาทักทายเขาอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ามากกว่านั้นถ้าเรามี อะไรมากที่เราไม่รู้จะเก็บไว้ทาไมเราก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นเวลาบางทีเรามีคนเอาของมาให้เราเยอะๆช่วงนี้บางทีมีคนเอาทุเรียนมาให้เอาผลไม้อะไรมาให้ซึ่งเราก็กินเองไม่หมด เ, เราก็เอาผลไม้ของเ่านี้นี่ไปให้กับคนที่เราไปพบปะเช่นคนที่เราไปทำงานพบปะที่ทำงานแล้วที่ไหนก็ตาม เราก็เอาไปเอาไปทำบุญใส่บาตรอย่างนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเอาไปให้กับญาติพี่น้องมิตรมิตรสนิยสนิมิมตรสหายหรือเพื่อนเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาให้ความสุขกับผู้อื่นวิธีแผ่เมตตาท่านแสดงไว้มีอยู่สี่ลักษณะด้ยวยกัน ให้ความสุขแก่ผู้อื่นท่นก็เรียกว่าสุ ข, ขีอัตานังปรลิฮารันตขุขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเขาจะมีความสุขได้ก็เกิดจากการกระทาของเราเนี่เองการกระทาที่ทำให้เขามีความสุขก็คือให้ความเมตตาให้ความเป็นมิตรกับเขาให้สิ่งของกับเขาหรือให้ความสำคัญกับเขา เช่นยกมือไหว้เขาหรือทักทายเขาถามสารทุกขสุขดิบกับเขาอันนี้เรียกว่าเป็นการให้ความสุขทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขนี่คือวิธีแผ่เมตตาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งวิธีแผ่ก็คือเวลาเราไปทำอะไรกันไปพบปะกันบางครั้งก็อาจจะมีการผิดพลาดหรือมีการกระทบกระทั่ง มีการกระทาที่เกิดความเสียหายแล้วเราก็อาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาใครเขาทำอะไรแล้วทำให้เกิดความเสียหาย<อ>ถ้าเราต้องการแผ่เมตตาเราก็ให้อภัยเขา<อ>ใครทำอะไรเสียหายล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยเขาไปไม่ไม่เอาเรื่องเอาเราวอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตา อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาก็คืออัปยาปชาหนโตคือไม่เบียดเบียนกันคือเวลาเราทําอะไรเราพูดอะไรนี้อย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทําอะไรต้องระมัดระวังดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บางทีเราจัดงานเลี้ยงในห้องของเรา ถงเสียงก็ทึบคึกโคมทาให้คนข้างห้องเขานอนไม่ได้อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังอย่าอย่าไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผพื่นจากเนื่องจากการกระทาของเราเราต้องจัดงานแบบเงียบๆหรือถ้าจะต้องฉลองมีเสียงก็ไปหาที่ที่ไม่มีใครเขาอยู่ใกล้เราแล้วก็จะเปิดเสียงให้ดังขนาดไหนก็ทำได้แต่ถ้าเราอยู่ที่ใกล้ๆ ก, ก, กัน แล้วเราทำเสียงหรือกระซิบกคะโแล้วไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้นี้เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนกันเราอย่าทำเ<ม>นี่อันนี้ก็เป็นวิธีแผ่เมตตาให้ความเมตตาต่อกันเวลาทำอะไรอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอีกวิธีหนึ่งของการแผ่เมตตก็คือการไม่ไปทำร้ายร่างกายของเขาหรือทำร้ายจิตใจของเขา บางทีเราทำอะไรไปโดยไม่ได้คิดรอบคอบทำไปแล้วก็อาจจะไปทำให้เกิดความเสียหายทางร่างกายของเขาหรือทางจิตใจของเขา <c oughs> เราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทำอะไรที่จะทำให้กระทบกระเทือนกับร่างกายและจิตใจของผู้ <c oughs> อื่นนี่คือลักษณะของการมีความเมตตา ถ้าเราสามารถแผ่เมตตาให้ความเมตตาได้อย่างตลอดเวลาอย่างต่อเ น, นื่องเราจะได้รับอนิสงค์คือเได้ได้รับผลประโยชน์จากการมีความเมตตานี้อยู่หลายประการด้วยกันประการแรกก็คือเราจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุข แล้วเวลาเรานอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายแล้วเราก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลายแล้วเราก็จะมีเทวดาอารักขาคุ้มครองรักษาเราแล้วเราก็จะไม่มีใครคิดร้ายบองร้ายเราด้วยอาวุธหรือยาพิษจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษ วเราไม่มีศัตรูกับใครเรามีแต่มิตรเราสร้างแต่มิตรภาพเรามีแต่สร้างความรักให้กับผู้อื่นเขาให้ผู้อื่นเขารักเราเมื่อเขารักเราแล้วเขาจะไม่คิดที่จะทําร้ายเราเขาจะคอยดูแลเราคอยปกป้องเราอันนี้เป็นคามนิสง์ต่างๆ ยังมีอีกหลายข้อที่ยังนึกไม่ออกอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการไปฝึกจิตทําใจให้สงบใจที่มีความเมตตานี้จะสงบง่าย<ม>เพราะไม่มีเรื่องมารบกวนใจไม่มีนิวรณ์เช่นความโกรธความแค้นเครืองอยู่ในใจที่จะมาทําให้เป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบ<ม>แล้วก็ เวลาที่เราจะตายนี้ใจของเราจะไม่หลงใจของเราจะมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความสงบแล้วตายเวลาตายก็จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ น, นี่คือประโยชน์สูงที่เราจะได้รับจากการที่เรามีเติมบุญคือความเมตตาบุญมา ร, รมีข้อที่หนึ่ง คือความเมตตาพยายามเป็นการกระทำที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แต่ความปรารถนาดีของเราความมความมีมิตรภาพต่อผู้อื่นเ น, นั้น<อ><อ>เพียงแต่ยิ้มให้กับเขาเพียงแต่ยกมือไหว้เพียงแต่ไม่ถือโทษกโกรธเคืองให้อภัย<อ>เวลาทำอะไรก็ระมัดระวังอย่าไปกระทบ อย่าไปทำให้ผู้อื่เขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทำของเราเท่านั้นเองวิธีการเหล่า น, นี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรไม่ต้องมีทรัพย์ไม่ต้องมีเงนินมีทองไม่ต้องร่ำให้รวยถึงจะทาได้ น, นี่คือบุญข้อที่หนึ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะคอยสร้างกันคอยเติมกันอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะเป็นตัวที่จะช่วยสนับสนุน ให้เราได้ไปสร้างบุญบรารมีข้อต่อๆ่อไปถ้าเรามีความเมตตาแล้วถ้าเราอยากจะสร้างทานบรารมีนี้ก็จะง่ายเพราะว่าเราจะเห็นทุกคนว่าเป็นเหมือนมิตรของเราเป็นเพื่อนเราเวลาเราทําอะไรให้กับใครนี้ถ้าทํากับคนที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรนี้จะรู้สึกว่าง่ายกว่าทํากับคนที่เป็นศัตรูกับเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความเมตตานี้ เราจะไม่มีศัตรูกับใครเราจะสามารถทำบุญทำทานให้กับคนทุกคนได้เวลาใครเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็จะช่วยเหลือเขาได้อย่างา ง, ง่ายได้เวลาที่เรามีอะไรมากเกินไปตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์เราก็เอาของที่เรามีมากเกินไปนี้ มาแบ่งให้กับคนอื่นด้วยการทำทานนี่เองบริจาคสิ่งของต่างๆจะให้กับใครก็ได้ไม่ไม่ไม่สำคัญว่าจะต้องให้กับพระหรือบุคคลที่มีพระคุณกับเราเพียงอย่างเดียวให้กับทุกคนได้หมดเป็นทานได้หมดเป็นทานบา ร, รมีเป็นเป็นบุญที่จะพาให้เราได้ขึ้นสวรรค์ ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพได้เราต้องมีการสร้างทานบารมีกันมีอะไรก็แบ่งกันไปอย่าหวงอย่า ง, งกอย่าตนีตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เรามีอยู่มันจะส่งเราไปสวรรค์ไม่ได้เข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้มันจะส่งเราไปสวรรค์ไม่ได้แต่ถ้าเราเอามาแจากจ่ายให้คนอื่นนี้ มันจะกลายเป็นบุญจะกลายเป็นทานขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะสามารถส่งใจของเราให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้เป็นน้ำมันของใจนี่ยทานทำทานแล้วมันจะส่งใจของเราให้ขึ้นจากระดับของมนุษย์นี้ให้ขึ้นไปสู่ระดับของเทพของเทวดาไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆ จะไปได้นี้ต้องเติมทานบารมีต้องมีการเสียสละแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้มีมากกว่าที่เราจะใช้ได้อย่าเก็บไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็ไม่สามารถส่งเราไปสวรรค์ได้แต่ถ้าเราเอาไปบริจาคเอาไปแจกจ่ายให้กับใครก็ได้ จะให้กับคนที่มีพระคุณกับเราก่อนก็ได้เช่นบิดามารดา<ม>ครูบาอาจารย์พระศาสนา<ม>เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราเราก็ต้องตอบแทนพระคุณโ<ม>ดยการให้ทานกับท่านให้ข้าวให้ของหรือถ้าต้องดูแลท่านก็ช่วยกันดูแลไปให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบาย<ม>ถ้าเราได้ทำกับคนที่มี คุณประโยชน์กับเราแล้วเราก็ไปทํากับคนที่ไม่มีคุณประโยชน์กับเราต่อไปถ้าใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาบรรเทาความทุกข์ยากให้ให้เขาอยู่อย่างสุขสบายขึ้นกว่าว่าเดิมแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ช่วยให้เขาได้ทําทานกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ได้ทานบารมีเหมือนกันได้บุญได้น้ํามันที่จะส่งใจเราไปสวรรค์เหมือนกันฉั้น คนที่รับของจากเรารับความรับรับสิ่งของที่เรามีให้จากเรานี้ได้ประโยชน์สุขจากเรานี้ไม่ไม่เลือกก็จะเป็นใครได้มันมันจะทำให้เราได้บุญได้น้ำมันที่จะพาให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นเทพกันนี่คือบารมีหรือบุญข้อที่สองที่เราควรจะมาสร้างกันมาทากันแล้วพอเราสร้าง บุญข้อที่สองได้นี้เราก็จะทำให้เรานี้ไปสร้างบุญข้อที่สามได้บุญข้อที่สามก็คือศีลคือไม่กระทำบาปคนที่ชอบทำบุญนี้จะจะไม่ชอบทำบาปเพราะบุญกับบาปนี้มันเป็ น, ม, นมันเป็นคนละทิศคนละทางกันถ้าคนไปเดินไปในทางบุญนี้จะไม่เดินเดินไปในทางบาปแต่คนที่ไม่ทำบุญนี้มักจะ เดินไปในทางบาปไปแต่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วการที่เราจะไปทำบาปนี้มันจะยากมันจะทำให้เรานี้สร้างศีลทำสร้างบุญคือระดับศีลสร้างศีลบารมีขึ้นมาได้อย่างง่ายดายง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญง่ายกว่าคนที่ไม่มีความเมตตา คนที่ไม่มีความเมตตาคนที่ไม่ทำบุญนี้มักจะชอบทำร้ายผู้ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเพื่อเอาประโยชน์จากเขามาเขามีทรัพย์อยากได้ทรัพย์ของเขาก็หลอกไปฆ่าเขาแล้วก็เอาทรัพย์ของเขามาอันนี้ลักษณะของคนที่ไม่มีความเมตตาไม่มีไม่มีทานไม่ชอบทำบุญทำทานไม่ทำบุญทำทานแต่ถ้าคนมีความเมตตาคนที่ทำทานอยู่เรื่อยๆนี้ จะไม่กล้าทำบาปจะไม่ชอบทำบาปเพราะการทำบาปทำให้ใจร้อนทำให้ทให้ใจไปสู่บายไม่ได้ทำให้ใจไปสู่สวรรค์ไม่ได้ทำให้ใจเย็นดังนั้นคนที่อยากจะไปสวรรค์ชอบความเย็นของใจนี้จะไม่จะไม่ชอบทาบาปจะรักษาสีนได้ไง่ายถ้ารักษาสีนได้แล้วอันที่สองของการรักษาศีนก็คือ จะป้องกันไม่ให้ใจตกต่ำจะไม่ให้ใจตกไปต่ำกว่าความเป็นมนุษย์จ ะ, จะไม่ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนรกหรือไปตกนรกเวลาตายไปนี้จะไม่ไปอบายอย่างแน่นอนถ้าสามารถรักษาศีลได้ถ้าระงับการทำบาปได้ใจจะไม่ต้องไปตกตกลงไปที่ต่ำ นีแต่จะไปที่สูงไปด้วยอานาจของเมตตาบา ร, รมีอานาจของทานบา ร, รมีแต่อานาจของทานบา ร, รมีนี้ก็จะพาไปได้แค่ระดับสวรรค์ชั้นเทพเท่านั้นเองถ้าอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็จำเป็นที่จะต้องสร้างบา ร, รมีรสร้างบุญเพิ่มขึ้นอีก เพราะการที่จะขึ้นสู่จากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้จาเป็นที่จะต้องสร้างบา ร, รมีอีกสองข้อด้วยกันบา ร, รมีที่ต้องสร้างต่อจากศีลบา ร, รมีเรียกว่าเนคขมมะบา ร, รมีเนคขมมะก็คือการออกบวชคือการยุติการแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองเพราะว่าความสุขของ ละตาหูจมูกนิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรนนี้เป็นความสุขระดับของเทพของมนุษย์ถ้าอยากจะได้ความสุขของระดับของพรหมนี้ต้องไม่เสพความสุขของเทพหรือของมนุษย์ต้องยุดติต้องถือศีลบวชกันต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือถ้าอยากจะบวชถาวรก็ไปเป็นแม่ชีหรือไปเป็นพระกันนี่เรียกว่าเนคขมะบาะเม ถ้าอยากที่จะได้สวรรค์ที่สูงขึ้นไปกว่าสวรรค์ชั้นเทพจาเป็นจะต้องออกบวชกันจะบวชแบบชั่วคราวก่อนก็ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเช่นวันพระเราก็ไปอยู่วัดกันหนึ่งวันไปถือศีลไปถือศีลแปะ ก, กันศีลแปะนี้ก็คือศีลเ น, นมะนเนีะไปไปฝึกซ้อมเป็นนักบวชชั่วคราวก่อน แล้วต่อไปเมื่อเราทำบ่อยๆขึ้นเราจะมีความชานาญเราจะมีความรู้สึกง่ายไม่รู้สึกยากเย็นอะไร<ม>แล้วต่อไปเมื่อเราเห็นว่าชีวิตของเรานี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจบลงแล้วทรัพย์สินต่างๆสิ่งต่างๆที่เราหาได้มาจากโลกนี้เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยแต่สิ่งที่จะพาให้เราไปสูงไปดีกว่าก็คือการที่เราได้ออกบวช ได้ปฏิบัติจิตตภาวนาได้ปฏิบัติธรรมก็อาจจะทำให้เราจากการเป็นนักบวชชั่วคราวคือเป็นอบาสกอุบาสิกามากลายเป็นนักบวชอย่างถาวรต่อไปมาบวชเป็นพระถ้าเป็นชายมาบวชเป็นชีถ้าเป็นหญิงอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบารมีที่จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่สวัสดิ์ี ให้ขึ้นสู่สวรรค์ที่สูงขึ้นกว่าสวรรค์ชั้นเทพจากชั้นเทศจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นโทมิต้องมีเนคขมะต้องบวชเนคขมะกันเนคขมะก็คือการถือศีลแปดไม่เสพกามชนิดต่างๆไม่เสพกามจากการร่วมเพศกันไม่เสพกามจากการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นของร่างกายไม่เสพกามจากการดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆ ไม่เสษการจากการหลับนอนอย่างสุขอย่างสบายอันนี้เป็นเรื่องของการยกระดับของจิตใจให้ขึ้นสูงขึ้นกว่าระดับของสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรมต้องมีการทำบุญสองข้อเพิ่มข้อแรกก็คือเนคขมะบารมีออกบวช แ้วพอออกบวชแล้วจะได้มีเวลามาสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือความสงบนี่เองอุเบกขาคือใจที่นิ่งสงบปราศจากความรักชังกลัวหลงซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต้องมีเวลามาปฏิบัติมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเพราะการที่จะทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้นี้ เราต้องหยุดความคิดของเราให้ได้ปัจกุบนี้เราไม่เคยหยุดความคิดของเราเลยสังเกตดูตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ก็เริ่มคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปคิดไปคิดมาแล้วบางทีก็เกิดอารมณ์วุ่นวายใจขึ้นมาจากความคิดเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเครียดเกิดความอะไรแล้วก็เป็นบางทีความคิดนี้ก็พาให้เราต้องไปทาบุตต้องไปทาในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทากัน บางทีก็ไปทำบาปบางทีก็ไปทำไปเสพอบายามุขอะไรต่างๆทั้งหมดนี้มันมาเกิดมาจากความคิดของเราทั้งนั้นแต่ถ้าเราสามารถมาฝึกสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ความคิดก็จะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไม่สามารถฉุดลากพาเราให้ไปทำสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่ไม่อยากจะทำกันได้เราสามารถ ทำให้เราเวลานั่งสมาธินี้ทำให้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้ต้องต้องใช้การฝึกสติเพื่อหยุดความคิดและการฝึกสตินี้จาเป็นที่จะต้องทำทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มที่ก็คือพวกนักบวชนี่อง เพราะนักบวชนี้เขาไม่มีงานการที่จะต้องทำไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามีหน้าที่เพียงแต่คอยเลี้ยงดูร่างกายของเขาซึ่งไม่ต้องใช้ความคิดมากมายอะไรแล้วก็แล้วเขาก็ไม่มีอะไรต้องทำนอกจากการมาคอยทำใจให้สงบคอยหยุดความคิดนี้เท่านั้นเอง <c oughs> นี่คือหน้าที่ของนักบวชผู้ที่ได้ได้บวชในขามะได้สร้าง ในขมมามบารมีแล้วก็จะมีเวลาว่างเพราะว่าไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการไปทำมาหากินเพราะจะมีผู้คอยเลี้ยงดูคอยสนับสนุนให้ก็เลยจะทำให้มีเวลาที่สามารถที่จะมาฝึกสติได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิด วิธีที่จะทำให้ไม่ให้คิดก็คือใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจพอลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธไปแล้วระหว่างที่เราไปทหาหน้าที่อะไรต่างๆอาบน้ำล้างหน้ า, นาแปรงฟันรับประทานอาหารหรือทาอะไรเราก็พุทธโธพุทธโธไปคอยคุมความคิดไว้ไม่ให้ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ให้ไปคิดถึงอน า, นาคตที่ยังมาไม่ถึง ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดกับเรื่องอะไรแล้วถ้าเราเป็นนักบวชหน้าที่ของนักบวชก็คือหยุดคิดนี่หยุดคิดเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่วรู้ถ้าสามารถสุกสติได้ตลอดทั้งวันเวลานั่งสมาธินี่จะสงบง่ายเวลานั่งสมาธิเราก็ บ, บริกรรมพุทโธพุทโธต่อไป ตั้งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไม่ต้องดูลมถ้าใช้พุทโธใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องพุทเข้าโธออกแต่จะใช้ใช้ลมมาควบคู่ด้วยก็ได้ไม่ห้าม nei. ถ้านั่งแล้วอยากจะดูลมด้วยแล้วพุทโธด้วยก็ได้บางคนชอบดูลมแล้วก็พุทโธหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบดูลมจะเอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้ หรือบางคนจะเอาแค่ดูวมอย่างเดียวไม่พุโทโธก็ได้เหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งสามวิธีนี้ได้หมดเป็นการเจริญสติเป็นการคอยควบคุมหรือคอยหยุดความคิดนั่นเองถ้าเรามีสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นานจิตของเราก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เป็นพอสงบนิ่งแล้วก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาเราก็จะได้อุเบกขามาเอง อุเบกขาก็คือใจที่เย็นใจที่ไม่ร้อนไปด้วยอารมณ์ใจใจเย็นปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงอันนี้สําคัญเพราะมันจะทําให้ใจเหล่านี้ต่อสู้กับกิเลสได้เวลาเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาถ้ามีอุเบกขาก็สามารถหยุดมันได้อันนี้คือเป้าหมายของการที่จะพาจิตของเราให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหม ตอนจิตขเรามีอุเบกขาเข้าฌานชั้นต่างๆได้เข้ารูปฌานได้เข้าอารูปฌานได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นรูปประรมและอรูปประพรมต่อไปนี่คือการทําบุญขั้นต่างๆที่จะพาเราให้จิตใจเราขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเหนือจากสวรรค์ชั้นข่มก็ยังมีสวรรค์ชั้นอริยเจ้า ฉั้นโสดาบันชั้นสกิรดาคาอน า, าคาชั้นผ้าอัหันชั้นนิพานอันนี้ถ้าจะขึ้นจากสวรรค์ชั้นผมนี้จําเป็นจะต้องสร้างบุญบา ร, รมีขั้นสุดท้ายก็คือปัญญาบา ร, รมีเราต้องมีปัญญามีความเห็นว่าการที่ใจของเรานี้ยังไม่ได้หลุดออกจากภพต่างๆเพระใจของเรายังมีความอยาก ถ้าเรายังมีความอยากเสพกามเราก็จะติดอยู่ในกามะพภถ้าเรามีความอยากจะเสพรูปประชานเราก็จะติดอยู่ในอรูปะพภะถ้าเราอรูปะพภถ้าเราอยากจะเสพอรูปประชานเราก็จะติดอยู่ในอรูปะพภะถ้าเราต้องการไปนิพพานเราก็ต้องหยุดความอยากเสพกามหยุดความอยากเสพรูปประชานหยุดความอยากเสพอรูปประชานโดยการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นกรามก็ดีเป็นรูปประชานก็ดีเป็นอรูปประชานก็ดีของเหล่านี้เป็นของที่เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเจริญแล้วมีเสื่อมเวลาเจริญก็ให้ความสุขพอเวลาเสื่อมก็จะให้ความทุกข์กับเราเราจะทําให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบต่อไปปัตถาให้เราไปไม่ถึงพระนิพพาน ถ้าเราอยากจะไปถึงพระนิพพานเราต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจตัดด้วยปัญญาเวลาอยากจะเสกกรรมก็หยุดมันเพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เวลาอยากจะเสกรูปประฌานก็ต้องหยุดมันเพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเช่นเดียวกับกรูปอรูปฌานมันก็เป็นทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงและเป็นของที่เราควบคุมบังคับสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ อันี่คือขั้นปัญญาซึ่งเป็นน้ำมันขั้นสุดท้ายเป็นบุญขั้นสุดท้ายที่จะพาให้ใจเราได้ออกจากตายพบได้ออกจากรูปรพบออกจากการมาพบออกจากรูปรพบออกจากอารูปรพบเข้าสู่พนันธิพานต่อไปนี่คือบุญต่างๆหรือน้ำมันชนิดต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาคอยเติมกันอยู่เรื่อยๆ พอการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการไปแวะจอดรถยนต์ที่สถานีบริการสิ่งที่เราต้องการจากสถานีบริการคือน้ํามันของอย่างอื่นนั่นเป็นของแถมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เราต้องได้ก็คือน้ํามันเช่นเดียวกับการมาเกิดในภพของมนุษย์นี้เป็นการมาเติมบุญกันส่วนอย่างอื่นจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกาย จะได้ก็ถ้ามันเป็นของแถมมาก็รับเอาไว้แต่ไม่ยึดไม่ติดกับมันไม่หลงกับมันเป้าหมายเราคืออยู่ที่การเติมบุญอย่างเดียวถ้าเรามีมีมีความเห็นที่ถูกต้องว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เพื่อมาเติมบุญบารมีแล้วเราทาหน้าที่นี้อย่างเดียวเราก็จะไม่หลงทางแล้วเราก็จะได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรา ปรารถนากันก็คือไปสู่พระนิพพานตามที่พู้เจ้าและพระสาวกได้ไปกันมาก่อนแล้วนี่คือเรื่องของวันกำไรบุญวันที่เราไม่ต้องทำงานมีเวลาว่างเราก็ด้เอาเวลาว่างนี้มาเติมบุญกันเพื่อที่จะได้มีน้ำมันพาจิตใจของเราให้ไปสู่จุดหมายไปทางที่ดีที่ชอบต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปูราปาริปูเรนติสักหลังเอวามีวาอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ป ก, ปกปัปติยุจิตังปัติตังตุมหังคิดปเปมีวาสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนะอรสุยาามณิโชติอรสุยาาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตาโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทนสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามให้มีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถามเองก็ได้เนื้อเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วก็ถ้ามีมือถือส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทางเ c e b o ๊ k พระอาจารย์ห้าร้อยแปดท่านเจ้าค่ะ YouTube พระอาจารย์สามร้อยี่สิบท่าน ทางด็อรวีช้าิบแปดท่านวิทยุออนไลน์แดท่านครับเฮาเก้าท่านนาคุติเจ็สิบเก้าท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งยี่สิบท่านเจ้าค่ะโ okay. อเคถามได้เลยจ้าเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนาคุติมีสมคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งกราบเรียนถามเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาธาต ว่าควรพิจารณาอย่างไรเจ้าคะคือเป้าหมายของการพิจารณาธาตุเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนกับกล้องถ่ายรูปเป็นเหมือนรถยนต์มันทำมาจากาธาตุทั้งสี่คือาธาตุดินาธาตุน้ำาธำาตุนมธาตุไฟเวลามันมาเข้ามาในร่างกายแล้วมันก็มันผสมกันแล้วก็ทำให้เกิดอาการสาสิบสอง แต่ดผมขนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วพอร่างกายมันหยุดทำงานมันหยุดหายใจสิ่งที่มารวมตัวเป็นอาการสารสิ่สองมันก็จะแยกแยกออกจากกันธาตุน้ำก็จะออกไปธาตุลมก็ออกไปธาตุไฟก็ออกไปส่วนที่เหลือก็ ก, กลายเป็นธาตุดินไปนพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีไม่มีตัว อดไม่มีเราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราเป็นผู้คิดเราเพียงแต่ไปคิดว่ามันเป็นเราเท่านั้นเองเหมือนคนสมัยก่อนไปคิดว่าโลกนี้แบนมันเป็นเพียงความคิดความเชื่อแต่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือร่างกายเราเป็นเหมือนรถยนต์เป็นที่ประกอบด้วยชิ้นชิ้นส่วนต่างๆร่างกายแล้วก็ประกอบด้วยาการสามสิบสองผมขนเล็บปันแล้วก็ทํามาจาก ดินานา้ำลมไฟลองไปถามดูเนี่ยแต่ละการเราเป็นผมหรือเปล่าเราคิดว่าผมเป็นเราเราเป็นผมหรือเปล่าเวลาเรากรนผมทิ้ ง, าาล ง, ง, งแล้วเราหายไปหรือเปล่าเราก็ยังอยู่เราผู้รู้ผู้คิดก็ยังอยู่เวลาเราตัดเล็บทิ้งไปแล้วเราหายไปหรือเปล่าเราก็ไม่หายทุกอย่างมันเป็นมันเป็นของมันมันเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่ทํามาจากดินานา้ำลมไฟเท่านั้นเอง แต่เรานี่เราไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็ไปทุกข์กับมันเวลาที่มันจะเป็นอะไรขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าเราสามารถพิจารณาว่ามันเป็นเพียงธาตุเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็ทำมาจากธาตุเนี่ยต้นไม้ต้องมีน้ำมีดินมีลมมีมีความร้อนมันถึงจ ะ, จะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาได้แต่มันไม่มีความรู้สึกในตัวมันเองเวลามันตายไปมันก็มันก็ตายไปตามมันก็เฉย คนที่ไปทุกข์กับมันก็คือเจ้าของต้นไม้พอเราไปปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้เราเป็นอะไรขึ้นมาคนที่ไปปลูกต้นไม้นะเป็นคนทุกข์แต่ต้นไม้มันไม่ทุกข์หรอกต้นไม้มันจะเป็นอะไร ใ, ใจของเรามันไปหลงไปพอเราได้ร่างกายมาเป็นเป็นของเล่นแล้วเป็นเหมือนตุ๊กตาแล้วก็ไปรักไปหวงไปห่วงมันแล้วก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแค่นั้นเอง พอมันถึงเวลาที่จะต้องแก่เจ็บตายเราก็เลยทุกไปกับมันแต่ถ้าเราพิจารณาจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมนี่คือการพิจารณาธาตุให้เห็นว่าน่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้รู้ผู้คิดเป็นเพียง ส่วนที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นขออนุญาตประกาศเจ้าค่ะเจ้าของรถยนต์สีขาวฮอนด้ากไก่สามสามศูนย์สี่สมุทรปราการค่ะรบกวนติดต่อที่รถของท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะคำถามข้อที่สองเจ้าค่ะในชีวิตประจำวันเราควรกำหนดเวลาปฏิบัติธรรม ให้แน่ชัดหรือไม่เจ้าค้าหรือเราจะสามารถเติมการปฏิบัติทันได้ในทุกกิจกรรมเจ้าค้าถ้ า, าทําได้ตลอดเวลาก็ไม่ต้องกําหนดแต่ถ้าเราแบบทําบ้างไม่ทําบ้างขี้เกียจบ้างขยันบ้างเราจะต้องกําหนดเวล า, บ, าบังคับมันเพราะถ้าเราไม่มีการกําหนดตารางบังคับมันก็เหมือนกับนักเรียน่ะที่ไปโรงเรียนแล้วไม่มีตารางเรียนนักเรียนมันก็ไม่เรียนกัน เมนอนักเรียนที่ไม่ได้เข้าห้องเรียนเขาก็จะเล่นกันทั้งส่วนใหญ่แต่ถ้าทางโรงเรียนกําหนดตารางว่าเวลานี้ต้องเรียนวิชานั้นเวลานี้ต้องเรียนวิชานู้นพ อ, อถึงเวลาก็ต้องไปเรียนกันอันนี้ก็เป็นกา ร, ก, ารกําหนดตารางก็เพื่อที่จะบังคับให้เราทําหน้าที่ของเราเมื่อถึงเวลาไม่ใช่ปล่อยให้ทําตามอารมณ์ตามถ้าปล่อยให้ตามอารมณ์อารมณ์ส่วนใหญ่มันจะไม่ชอบปฏิบัติมันจะชอบเล่นมันจะชอบดู y o u ูทูบดูเฟซบุ๊กมากกว่า คำถามข้อที่สามเจ้าค่ะหากบริกรรมพุโทโธแล้วพอจิตเป็นสมาธิเราควรกลับมาดูกายหรือไม่เจ้าค่ะ อ, อ๋อถ้าเป็นสมาธิจริงๆมันปล่อยกายมันร่างกายหายไปจากจิตเนะหลือแต่เหลือแต่ตัวรู้คือตัวจิตตัวเดียวอยู่ตามลำพัง มีคำถามฝากถามมาเจ้าค่ะรบกวนขอเป็นคำถามสำหรับวันที่สามสิบแต่มันผ่านมาแล้วเจ้าค่ะคาถามกราบธรรมส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการทำบุญกับพ่อแม่ถ้าเราให้เงินกับท่านไปแล้วพ่อแม่เราเอาไปซื้อเหล้าดื่มเอาไปเล่นการพานันเราได้บุญหรือไม่คะกราบขอบพระคุณค่ะได้เราได้บุญแต่พ่อแม่ก็ได้เมา ่ลาาก็มคำถามฝากถามข้อต่อไปค่ะกราดนมัการพระอาจารย์กระผมเป็นคนธรรมดาที่นับถือศาสนาพุทธแต่มีปัญญาน้อยจะมีคำถามว่า จิตของคนที่ไม่ดีอิจฉาคนอื่นกับจิตผู้มีจิตใจอ่อนโดนมีเมตตาฝึกสมาธิบ่อยสองคนนี้เมื่อร่างกายตายไปแล้วจิตสองคนนี้จะไปที่เดียวกันไหมครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับอยู่ที่ทำบุญหรือทำบาปคนที่มีจิตใจดีมักจะทำบุญเมื่อทำบุญก็จะไปสวรรค์คนที่มีจิตใจอิจฉาทิ่ยาียก็มักจะไปทำบาป ก็จะไปอบายมันอยู่ที่การกระทาบุญหรือบาปเป็นตัวที่จะกำหนดว่าจะไปสวรรค์หรือจะไปอบายกันครับคำถามจากยูทูบเจ้าค่ะข อ, อกาสครับหลวงพ่ออาชีพเช่าพระขายพระเป็นอาชีพที่ผิดศีลธรรมไหมครับเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางถึงการปฏิบัติธรรมต่อการหลุดพ้นไหมครับ ไม่ไม่ไม่เป็นอาชีพที่ขันหลักศิลธรรมนะก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนขายตุ๊กตาวัตถุมงคลก็เหมือนเหมือนตุ๊กตานันเองก็มันเรื่องส่วนการจะไปปฏิบัติธรรมหรือไม่นั้นอยู่ที่เราอาชีพมันไม่เกี่ยวนะคนที่ปฏิบัติธรรมทำอาชีพนี้ก็ปฏิบัติธรรมได้ถ้าอยากจะปฏิบัติ แต่ถ้าไม่ไม่อยากจะปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่อาชีพคำถามจากคุณเสิงดอนไพรถ้าเราบริจาคร่างกายแล้วถึงเวลาตายไปแล้วร่างกายไม่ถูกนำไปใช้ได้เราจะได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายเช่นควักโลกตาให้เขาไปบริจาคลูกตาไป เรือบริจาคเลือดเราจะได้บุญทันทีเพราะเรารู้ ร, รู้ ร, รู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราได้ทำอะไรแต่เวลาที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าร่างกายของเรานี้ทอไปทำอะไรงั้นเราต้องทาด้วยตัวของเราเองต้องบริจาคด้วยตัวของเราเองในขณะที่เรามีชีวิตอยู่รบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะบางส่วนเช่นบางคนบริจาคไตย อ, ยอันนี้จะรู้ทันทีว่าได้ทำแล้วได้เสียสละแล้ว กก็จะเิดบุญขึ้นมาคือคควาามมสขใจขึ้นำถามต่อไปจากคุณแจนกราบนวัศการหลวงพ่อค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามว่าการพูดหยาบเป็นการทำบาปไหมคะขอบพระคุณค่ะมันก็ยังไม่บาปแต่มันเป็นแสดงสภาพของจิตใจที่หยาบคายนั่นเองเป็นจิตใจที่ไม่ละเอียดเป็นเหมือนสัตว์ลักษณะเหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานะ ถ้าอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เป็นเทพให้เป็นอะไรนี่วาจามันก็จะต้องเรียบร้อยคำถามต่อไปกราบในมัสการพระาจารขอถามเมื่อตอนเด็ ก, เดกๆเคยเล่นโซนแล้วค่าแมงปอฆ่าปลาหานกยุงวันนี้มาทำบุญทำทานทำสมาธิแล้วเรายังมีกรรมนั้นอยู่ไหมคะ มีกรรมที่ทำไว้มันไม่ได้ถูกลบล้างด้วยการทำบุญเมืยังไม่พ่มันยังไม่ได้ส่งผลมันก็ยังจะรอเวลาส่งผลอยู่แต่ถ้ามันส่งผลแล้วมันก็จะหมดไปคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามซื้อของมาขายแล้วบวกราคาเพิ่มผิดบาปหรือไม่เจ้าขาสาธุเจ้ า, า้าไม่บาปหรอกเพราะก็อนี้คือวิธีท ร, รมาหากินไม่ใช่เลย เราซื้อของมาแล้วเราขายมันก็ต้องแพงกว่ากว่าที่ราคาที่เราซื้อมาถ้าขายถูกกว่าเรากเราก็ขาดทุนเลยเราก็ได้บุญถ้าเราทําขายซื้อของแพงมาแล้วขายถูกเราก็จะได้บุญแต่ถ้าเราซื้อของถูกมาแล้วขายแพงเราไม่ได้บุญแต่เราไม่ได้บาปถ้าเราไม่ไปโกหกเขาไม่ไปหลอกลวงเขาว่าของนี่ราคาท่านนั้นท่านี้แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็ก็ถือว่าหลอกลวงก็บาป แต่ถ้าเราขายไปตามตามที่เขาทำกันน่ะซื้อของมาก็ต้องบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายค่ากำไรไปเป็นธรรมดาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่ไม่เป็นบุญถ้าอยากจะเป็นบุญซื้อมาแล้วก็ไปแจกต้องปล่อยลงทานอย่างนี้เรียกทานคำถามต่อไปเจ้าค่ะกราบธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอถามว่า ทำบุญโดยการให้เงินสดพระพิษุบาปหรือไม่เคยได้ยินว่าพระรับได้เฉพาะปัจจัยสี่เช่นอาหารพร้อมทานเพราะพระไม่สะสมทรัพย์เจ้าค่ะคือรับได้ให้ถวายได้แต่ต้องมีวิธีถวายที่ถูกต้องคือไม่ให้ถวายกับมือให้ฝากกับลูกศิษย์ไว้บอกว่าถ้าพระเขาเดือดร้อนเขาไม่มีข้าวกินบินนบาดไม่มีใครใส่บาตร ก็เอาเงินนี้ไปซื้อข้ามาถวายพระได้ถ้าเอามาใช้กับปัจจัยสี่ได้อยู่แต่ถ้าเอาไปเที่ยวอย่ น, นี้ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ไปซื้อมือถือรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ควรคำถามข้อต่อไป เคยผิดศีลข้อที่สามมาอยากแก้ไขปรับปรุงตัวต้องดำเนินตัวอย่างไรบ้างครับครอบครัวเสียใจมีแนวคิดอย่างไรได้บ้างเพื่อความลดความเศร้าความทุกข์ก็อย่าไปทำมั น, อ, นอีกนะอะไที่ทำไปแล้วก็สํานึกผิดแล้วพยายามแก้ไขโดยที่ไม่ไปทำซ้าอีกคำถามต่อไปขอถามว่าคนบ้าหรือคนเสียสติ จะไม่มีโอกาสทำบุญหรือพ้นทุกได้เลยหรือเจ้าค่ะก็ช่วงบ้าก็ทำบุญไม่ได้แต่ก็ไม่ได้บ้าไปตลอดวันหนึ่งมันก็หายบ้าได้สังเกตเราบางวันเราก็เป็นเหมือนคนบ้าเนยอารมณ์ควบคุมไม่อยู่เลยไม่มีสติเลยแต่สักพักหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปอยู่ที่เงียบๆไม่มีอะไรมนาะกระตุ้นเราอารมณ์นั้นมันก็สงบตัวลงได้มันก็มีได้สติกับคืนมาได้ฉะนั้นทุกคนนี่ย การเสียสติเป็นคนบ้างก็ไม่ใช่เป็นของทาวนเสียแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็ได้สติขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณเล็กกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการจะเข้าสู่พระโสดาบันได้ปฏิบัติศีลห้าพอไหมคะมันคืต้องปฏิบัติหลายอย่างนอกจากศีลห้าแล้วก็ต้องรักษาต้องนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นอุบเบกขาให้ได้แล้วก็ต้องมีปัญญาเห็นว่า ร่างกายเราไม่ใช่ตัวเราของเรานี่ทุต้นถึงยาบันรู้เป็นพระโสดาบันได้ไม่ใช่บันรู้เพราะศีลห้าเพียงอย่างเดียวมีคำถามจากยูทูบเจ้าค่ะกราบนมัมสการครับถ้านึกถึงความตายแล้วหดหูห่อเหี่ยวอย่างนี้จะถูกต้องไหมครับแสดงว่าจิตเรายังไม่มีคำไม่มีอบเบคขาพอยังมีความกลัวอยู่เราพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้น จนกว่าจิตเราจะมีอุเบกขาแล้วพอเราพิจารณาความตายแล้วเรารู้สึกเฉยเฉยเราถึงจะพิจารณาความตายแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเรามีความรู้สึกหวาดกลัวจิตใจ ห, ห่อเหี่ยวก็อย่าเพิ่งไปพิจารณารอไว้ก่อนฝึก ส, สมาธิให้มากขึ้นก่อนคำถามจากแม่กุติเจ้าค่ะเวลามีความเจ็บปวด ทางกายมากเราจะสามารถพิจารณาแยกร่างกายกับท่ารู้ได้อย่างไรเจ้าคะก็พิจารณามันเหมือนกับเป็นเสียงไงความเจ็บก็เป็นเหมือนกับเสียงความเจ็บไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายมันก็เป็นผมขนเล็บฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกันดูส่วนความเจ็บก็เป็นเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินตอนนี้มันก็เป็นเสียงที่เข้ามาทางร่างกายความเจ็บมันก็เป็นเหมือนเสียงเข้ามาใจเราเป็นผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆไป ใจเราไม่ได้เป็นความเจ็บเราไม่ได้เป็นร่างกายใจเราเป็นผู้รู้เราใจเราก็อยากไปทุกข์กับมันใจเราเฉยเฉยไปคำ ถ, ถามข้อต่อไปเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วโงกหลับต้องทําอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาเดินสมาธิแทนเดินจงกรมแทนคำถามต่อไปเจ้าคะ่ะกราบด้านมาชการครับอยากฝึกภาวนาแต่รู้ว่า ปฏิบัติยากมากเลยครับที่จะแยกจิตออกจากความคิดอยากให้พระอาจารย์แนะนําหน่อยครับก็ฝึกสติไปก่อนฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปทําใจให้สงบได้เราก็จะแยกจิตออกจากความคิดได้คําถามเขาต่อไปกล่าวเป็นถามพระอาจารย์คนที่บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลจะได้บุญใหม่จ้องหาไม่ได้หรอกถ้าบริจาคตอนที่ตายไปแล้ว ต้องบริจาคตอนที่เป็นคือต้องให้ร่างกายเขาไปเลยตอนนี้เอาเลยใครอยากจะได้ตับเราก็เอาไปใครอยากจะได้หัวใจก็เอาไปเอากันแบบสดสดร้อนร้อนย่างเงี้ยมันถึงจะได้บุญแต่ถ้ารอให้เราตายไปแล้วค่อยเอาร่างกายไปบริจาคเนี้ยมันไม่ได้หรอกยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนนะ